ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพี์ชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรกิตาจาร์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นจุดประสงค์ในการให้ทานของพระบริษัทซึ่งมีถึงสามสิการด้วยกัน ในการให้ทานนั้นมีในอันพิสดารดังต่อไปนี้ก็พึงเห็นการบำเพ็ญบารมีตามความเป็นจริงในชาติสัมภาระมิใช่น้อยอย่างนี้แลบาปย่อมส่งผลถึงบุคคลผู้ปล่อยตนกระทำบาปโดยอาการมิใช่น้อยบุญก็ย่อมส่งผลถึงบุคคลผู้มุ่งมั่นกระทำบุญโดยอาการมิใช่น้อยเช่นเดียวกัน สำหรับในการให้ทานนั้นมีในอันพิสดาลดังต่อไปนี้พระโพธิสัตว์ให้ข้าวเป็นทานด้วยตั้งใจว่าเราพึงยังสมบัติมีอายุวันณนะสุขะภะและปฏิพานเป็นต้นและสมบัติคือผลอันเลิศที่น่ารื่นรมให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยทานนี้ให้ทานนี้ไม่ได้หวังให้เกิดผลแก่พระองค์องเองเลยนะวังให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ผลอันเลิศต่างๆ อันหนึ่งในพระโพธิจักรพระโพธิจักรนั้นให้น้ําำก็ที่สองนะก็แรกให้ให้อ่าให้ทานเนี่ยเพื่อจะให้เกิดวรนนะอายุวรรณะสุขภาพระปฏิพานแก่พระปศน์ทั้งหลายให้น้ํานี่ก็เพื่อระ ง, งับความกระหายคือการมกิเลศ ข, ของสัตว์ทั้งหลายก็ที่สามก็ให้ผ้าเพื่อให้ผิวพันงามและเพื่อให้สาเร็จ เครื่องประดับคือหีริโอตัปปะฮีรินั้นเป็นโอตัปฮีริโอตัปปานั้นเป็นเครื่องประดับอย่างงดงามนะเป็นไปเป็นเหตุใกล้ของศีลข้อที่สี่ให้ยานผานะเพื่อให้สําเร็จอิทธิวิธีคือการคือการแสดงแสดงฤทธิ์ได้และนิพพานสุขเพราะว่ายานผา น, นั้นนี้ทําให้เกิดความสุขนะข้อที่ห้าให้ของหอมเพื่อให้สําเร็จความหอมก็คือศีล ข้อที่หกให้ดอกไม้และเครื่องรูปไรลเพื่อให้สำเร็จความงามด้วยพระพุทธคุณข้อที่เจ็ดให้อาสนะเพื่อให้สำเร็จอาสนะณโพธิมณฑ น, นข้อที่แปดให้ที่นอนเพื่อให้สำเร็จตถาคะตะสายยาการนอนแบบพระตะถาคตก็คือเข้าชานสี่นะข้อที่เก้าให้ที่พักเพื่อให้สำเร็จความเป็นสารนะข้อที่สิบ ให้ทีพักนี่ก็เพื่อมีที่พึ่งนะขดอติดให้อุปกรณ์ประทีศเพื่อให้ได้ปัญญาจักสุอันนี้ก็เป็นการให้ทานวัตถุสิธิ์นั่นเองก็คื อ, อข้าวน้ำยานผ้ า, ายันข้าวน้ยายันผ้าแล้วก็ของของเตรื่องลูก ร, รยอาสนะที่นอนที่พัาแล้วก็อุปกรณ์ประทีปสิบอย่างนะ ต่อไปก็ให้รูปเป็นทานเพื่อให้สำเร็จความมีรัศมีแผ่ออกหนึ่งวาข้อที่สิบสองให้เสียงเป็นทานเพื่อให้สำเร็จเสียงดดเสียงพรมข้อที่สิบสามให้กลิ่นเป็นทานกลิ่นหอมเพื่อได้เฉพาะซึ่งพระพุทธคุณข้อที่สิบสีให้รสเป็นทานเพื่อความเป็นที่รักของชาวโลกทั้งปวงเพราะว่ารสเป็นที่ชอบใจของสัตว์ทั้งหลาย ข้อที่สิบห้าให้ผลตัปพธธเป็นทานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุขุมละชาติข้อที่สิบหกให้เพตตัดเป็นทานเพื่อความไม่แก่ไม่ตายเพราะเพตตัดก็รักษาไม่ให้แก่เสตายนะข้อที่สิบเจ็ดให้ความเป็นภัยแก่ทาตทั้งหลายเพื่อปลดเรื่องความเป็นทาตแห่งกิเลสข้อที่สิบแปดให้บุตรเป็นทานเพื่อนำสัตว์ทั้งปวงเข้าถึงความเป็นพระโอรสโดยอริยชาติของพระองค์ ข้อที่สิบเก้าให้ภรรยาเป็นทานเพื่อเข้าถึงความเป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสิน้นข้อที่ยี่สิบให้ทองคําแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานเป็นต้นเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์ด้วยลักษณะอันงามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรัตนะทั้งหลายข้อที่ยี่สิบเอ็ดให้เครื่องประดับต่างๆเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งอนุพยัญชนะ ข้อที่ยี่สิบสองให้คลังสมบัติเป็นทานเพื่อบรรลุคลังแห่งพระสัทธธรรมข้อที่ยี่สิสามให้ราชสมบัติเป็นทานเพื่อความเป็นพระธรรมราชาข้อที่ยี่สิบสี่ให้ตวนอุทยานและสัพโบคารณีเป็นทานเพื่อความสมบูรณ์แห่งฌานเป็นต้นข้อที่ยี่สิบห้าให้พระบาทเป็นทานเพื่อก้าวเข้าสู่โพธิมณฑลด้วยพระบาททั้งสองที่มีรอยจัก ขอที่ยี่สิบหกให้พระหัดเป็นทานเพื่อให้หัดคือพระสัจธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อถอนเคลื่อนจากโอคะสีให้พระหัดก็พเพื่อที่จะได้พระหัดนะก็คือพระสัจธรรมแก่สัปปะทั้งหลายนั่นเองให้พระกันและพระนาสิก็คือหูกับจมูกเป็นทานเป็นต้นนะเป็นทานตรวมเป็นข้อที่ยี่สิบเจ็ด เพื่อได้สัตทินรียเป็นต้นนะก็เพื่อจะได้ศรัทาเพราะศรัทธาก็ทำให้เงียบโสดฟังข้อที่ยี่สิบแปดให้พระเนตรเป็นทานเพื่อได้สมันตะจักสุนะก็คือสัพพัญญุตญาณ น, น, นั่นเองข้อที่ยี่สิบเก้าให้พระมังสะและพระโลหิตเป็นทานด้วยหวังว่าจะนําประโยชน์สุขมาให้แก่สกรรพสัต์ตลอดกาลทั้งปวงในการเห็นการฟังการระลึกถึงการบมเรือเป็นต้น และกลายของเราพึงเป็นกายที่ชาวโลกทั้งปวงพึงเข้าอาศัยข้อที่สามสิบให้อวุจยะสูงสุดเป็นทานก็คือสิ่งที่สูงสุดในร่างกายก็คือศีสัตวด้วยหวังว่าเราพึงเป็นผู้สูงสุดในโลกทั้งปวงอันนี้เป็นวัตถุทานทั้งหลายเป็นทานที่พระพุทธเจ้าให้โดยที่มีจุดประสงค์สามสิบประการอย่างนี้นะ ก็เมื่อพระมหาบรุษห์ให้อยู่อย่างนี้ย่อมให้สิ่งที่ได้มาโดยชอบทำโดยทำมิได้ให้ด้วยความเบียดเบียนผู้อื่นมิได้ให้เพราะกลัวมิได้ให้เพราะละอายมิได้ให้โดยมุ่งแสวงหาทักขิณายะบุคคลเมื่อมีของประนีตย่อมไม่ให้ของเลวมิได้ให้ด้วยการยกตนมิได้ให้ด้วยการข่มผู้อื่นมิได้ให้ด้วยมุ่งหวังผลมิได้ให้ด้วยรังเกียจยาจบ มิได้ให้ด้วยความไม่เคารพที่แท้พระมหาบุรุษย่อมให้โดยเคารพให้ด้วยบือของตนเองให้ตามการกระทําความยําเกรงแล้วให้ให้ด้วยความไม่โกรธเป็นผู้ให้ด้วยความยินดีในการทั้งสามหลังจากที่ให้แล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่ยกย่องและไม่ดูหมิ่นปฏิคหาหกผู้จาะปฏิคหาหกด้วยถ้อยคายอําไพเราะพระมหาบุรุษเมื่อให้อยู่อย่างนี้ ก็บรรลุถึงอานิสงค์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้กระทําความปรารถนาไว้แล้วซึ่งท่านพันณ น, นาไว้แล้วว่าพระนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงอย่างนี้ท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานนับร้อยโกรกับย่อมไม่เกิดในอเวจีและย่อมไม่เกิดในโลกาติกานรกย่อมไม่เกิดเป็นนิชามะตันหิกเปรต ปิปาติกเพรศและกาละกันจิกาเปรศไม่เกิดเป็นตัดตัวเล็กๆไม่เกิดในทุกขติพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมไม่เกิดเป็นคนตาบอดย่อมไม่เกิดเป็นคนหูหนวกย่อมไม่เกิดเป็นคนบ้าใบย่อมไม่เกิดเป็นตตรีย่อมไม่เกิดเป็นคนสองเพศย่อมไม่เกิดเป็นบรันดอกพระนิยต์ะโพธิสัตว์ทั้งหลายพ้นจากอนัน ต, ตริยกรรม มีโครจรคือสถานที่ไปมหาสูที่เที่ยวบริสุทธิ์ในภพทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องด้วยวิชาทิฐิเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมเมื่อจะเกิดในสวรรค์ทั้งหลายจะไม่เกิดในอสัญญีภพไม่มีเหตุที่จะให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุดทาว่าเป็นผู้น้อมไปในเนฆัมมะเป็นสัตว์บุรุษไม่ติดในภพน้อยภพใหญ่ย่อมประพฤติโลกัตถจริยาบำเพ็ญบารมีทั้งปวง ประพฤติเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งหลายพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์และไม่เคยมีอย่างนี้เป็นผู้สแสวงหาคุณธรรมอันใหญ่หลวงคือเป็นพระมเหสีนั่นเองผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระมหากรุณาเป็นนักปราบเป็นเผ่าพันธุ์เอกแห่งโลกทั้งปวงมีอานุภาพที่ใครไม่พึงคิดมีพระสัจธรรมเป็นอารมณ์ตลอดเวลาเป็นสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้หมดจดและปฏิบัติผัดเกล่าท้องทะเลถูกลมพายุพัดจนเกิดเกลียวขึ้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายกระโดดข้ามแดนนั้นได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดมาจเจริญในโลกเป็นผู้อบรมดีแล้วไม่ติดด้วยโรคธรรมทั้งหลายดุดดอกปทุมไม่เปียกน้ําฉะนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายละความเสน่หาในตนได้เท่าใด ความเสน่หาเพราะมีกรรณาในสัตว์ทั้งหลายก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นพระพธิษัตทั้งหลายมีจิตอยู่ในอำน า, ไนนาจไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งจิตชั้นใดพระโพธิษัตทั้งหลายมีการกระทำอยู่ในอำนาจไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งการกระทำชั้นนั้นพระโพธิษัตเหล่านั้นย่อมไม่ถูกโทสะครอบงำหรือย่อมไม่ทาร้ายด้วยโทสะที่แสวงหาโพธิญาณเป็นบุรุษอาชาใน เป็นบัณฑิตเมื่อจิตเลื่อมใสในพระโพธิสัตว์เหล่านั้นก็ยังทำให้พ้นทุกข์ได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการกระทำตามท่านตามสมควรแก่ธรรมเล่าพระมหาบุรุษผู้ได้รับพยากรในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรอย่างนี้แล้วบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายอยู่สี่อสงไขยหนึ่งแสนกับแม้จะถูกจับโยนลงในเอเวจี ก็ไม่ยอมสละการให้ทานแม้เมื่อถูกเบียดเบียนอวัยวะน้อยใหญ่ดุดอ้อยทั้งหลายถูกขีบที่เครื่องหีบอ้อยก็ไม่ละเมิดศีล ส, สละอิตรยยศในทวีปใหญ่สี่ทวีปไปถือความวิเวกเพราะอำนาจของเนคขมบา ร, รมีแม้จะต้องเหยียบย่ำกองฐานเพลิงไม้ตะเคียนเต็มจักรวาลทั้งสิน้นก็จะเข้าหาท่านผู้มีปัญญาเพื่อสั่งสมปัญญาบา ร, รมี แม้จะว่ายข้ามน้ําว่ายน้ําข้ามมหาสมุทรที่ชุกชุมด้วยหมู่มังกรที่กวนด้วยลมที่กวนด้วยกําลังลมก็ไม่สละความเพียรเพื่อจะไปถูงฝั่งแห่งพระนิพพานเพราะวิริยะบา ร, รมีแม้เมื่อมีบุคคลใช้ดาบคมตัดใบหูและจมูกเป็นต้นก็มิได้โกรธเคืองในบุคคลอื่นเพราะขันติบา ร, รมีแม้เมื่อศีรษะจะขาดไปด้วยดาบ ก็ไม่กล่าวมุสาเพราะสัจจะบารมีแม้เมื่ออัตภาพจะแหลกละเอียดเป็นผุยผงก็ไม่สลักอธิษฐานอันเป็นอธิษฐานบารมีมองเห็นบุคคลอื่นที่แย่งชิงยึดราชสมบัติเป็นดุจบุตรเป็นที่รักเพราะเมตตาบารมีละความยินดียินร้ายในสุขทุกข์ที่บุคคลอื่นกระทำให้ด้วยอุเบกขาบารมี แม้เมื่อบุรุษหลายร้อยคนมือถือดายืนอยู่ในทิศทั้งสี่ยังภัยและความสะดุ้งด้วยรูปที่น่ากลัวมีรูปยักษ์เป็นต้นให้เกิดขึ้นก็มิได้สะดุ้งกลัวคงประทาบุญอยู่นั่นแลแม้จะต้องสละชีวิตก็ไม่ล่วงละเมิดการสมาทานบารมีได้ยังบารมีทั้งหลายให้จบลงด้วยการสละภรรยาแด่พราหมณ์เท้าสั ก, กแปลง ในอัตภาพที่ทรงเป็นพระเวทสันดรพระพุทธรคิตาจารย์ครังแสดงการบาเพ็ญบารมีอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความที่บารมีนั้นๆกำหนดนับมิได้จึงกล่าวคาถาว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้ให้โลหิตมากกว่าน้ำในทะเลได้ให้เนื้อของตนเป็นทานจนชนะแผ่นดินได้ให้สีตะพร้อมทั้งโมลีอันประดับดีแล้ว มากกว่าประมาณแห่งภูเขาสิเมรุมากกว่าภูเขาสุเมรุหรือว่าสุเนรุอนะได้ให้ในตามากกว่าดวงดาวในท้องฟ้าพึงทราบอธิบายในคาถานี้อย่างนี้ว่าในคำเหล่านั้นคำว่าโสนั้นคือพระโพธิสัตว์นั้นผู้เป็นอย่างนี้คาว่าสาคเรในทะเลได้แก่ในมหาสมุทรทั้งสี่ คำว่าชนะที่กังมากกว่าน้าคือกระทาให้มากกว่าน้าคาว่ารุที่รังอดาสิได้ให้โลหิตคือได้ให้เลือดเป็นทานคาว่าภูมิงป ร, ราชยะจนชนะแผ่นดินมีอธิบายว่าพระโพธิสัตว์นั้นได้ให้เนื้อในร่างกายของตนมากกว่าฝุ่นบนแผ่นดินฝุ่นเสอีก มากกว่าดินบนแผ่นดินอันมีประมาณเท่ากำหนดเท่าภูเขาจักรวาลโดส่วนกว้างด้วยส่วนหนาก็ประมาณ2แสน4หมื่นยอดคำว่าเมรุ ป, ประมาณนะมคีกังมากกว่าประมาณแห่งภูเขาตุเมรุประมาณแห่งภูเขาสิเนรุหรือว่าตูสิเนรุเนี่ยนะหรือว่าตุเมรุเนี่ยก็คือยอด สูงหนึ่งแสนหกมืนแปดพันยดยังลึกลงไปในห่วงมหน 8, ันต์บแปดหมืนสี่พันยดสูงขึ้นไปในอากาศก็เท่ากันนะมันก็สูงอย่างมากมายมหาศาลเลยพระโพธิสัตว์ได้ให้ศีรษะมากกว่าภูเขาสีรุนั้นคำว่าสมลิศีสังศีรษะพร้อมทั้งโมลีคือได้ให้ศีรษะที่อภิเศกแล้ว คำว่าเขในท้องฟ้าขังก็แปลว่าง่างเปล่าหรือว่าท้องฟ้าคือในอากาศที่กําหนดด้วยภูเขาจักรวาลคําว่าตาราคาทิกะตะพังมากกว่าดวงดาวคือกระทําให้มากกว่ารูปแห่งดวงดาวคําว่าณยะนังอาดาติได้ให้ในตาคือได้ให้ดวงพระเนตรเป็นทานก็มากกว่าดวงดาวในท้องฟ้า ใครเล่าจะกลายเป็นคนบ้าในบรรดาชาวโลกผู้เห็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้าใครเล่าที่มีศรัทธามีปัญญาจะไม่พึงไหว้พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ผู้ข้ามพ้นห้วงกิเลสได้แล้วการพันธนาโพธิสมภารในคำภีชินาลังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแกสาธุชนจบแล้วด้วยประการชนิษ ต่อไปก็จะเป็นการพันนาการถือปฏิสนธิในพระคันของพระโพธิสัตว์พระมหาบุรบุษบำเพ็ญบารมีสามสิบทัศมีทานเป็นต้นเริ่มตั้งแต่กระทำความปรารถนาแทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าที่ปังกรได้ยังบารมีทั้งปวงให้จบลงในอัตภาพที่ทรงเป็นพระเวสสันดรด้วยประการอย่างนี้ บัดนี้พระมหาบุรุษนั้นบำเพ็ญไตรสิกขากล่าวคืออธิศีลิสิกขาอธิจิตติสิกขาอธิปัญญาสิกขาแม้ทั้งปวงนั้นจบลงประทับนั่งณโพธิบัลลังก์กำจัดพลมารกำจัดพลของมารแล้วกราทำให้แจ้งซึ่งวิชชาสามบรรลุถึงพุทธภูมิเพราะฉะนั้นพระพุทธรคิตาจารย์ เมื่อจะแสดงความที่พระมหาบรุษบำเพ็ญไตรสิกขาแมเหล่านั้นจบลงแล้วจึงกล่าวว่าพระมหาบรุษข้ามทะเลคือทานเป็นต้นอันมีฝั่งลึกด้วยกำลังยังบารมีทั้งหลายให้จบลงแล้วด้วยการบริจาคพระนางมัตสีไปอยู่ในหมู่เทวดาชั้นดุสิตรอคอยให้พระโพธิญาณแก่เต็มที่ได้ตัด ได้เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาตามคำทูลเชิญของเทวดาทั้งหลายพระโพธิสัตรนั้นมีสติสัมชัญญะก้าวลงในพระคันของพระมารดาเพราะพระโพธิสัตรนั้นก้าวลงโลกธาตุหนึ่งมืนวันไว้ทั่วถึงกันเพราะเหตุนั้นบุพนิมิตสามิสองประการจึงเกิดขึ้นในครั้งนั้นพระมารดาน้นทรงร่าเริงยินดี มองเห็นพระโอรสในพระคันในคาถานั้นคำว่าคำพีราปารธานาดิสาเรสุทะเลคือทานเป็นต้นอันมีฝั่งลึกนี้พระพุทธรักษิตาจารย์กล่าวไว้หมายเอาบารมีสิบประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าปรัสไว้ไม่น้อยไม่มากในเรื่องนั้นข้าบเจ้าจะขอกล่าวว่า พระมุนีตรดบารมีสามสิบประการนั้นไว้พร้อมทั้งลักษณะบารมีแต่และประการโดยประเภทแห่งเจตนาเป็นต้นหาที่สุดมีได้จึงอย่างนั้นทานบารมีประการเดียวจัดเป็นข้อเดียวด้วยลักษณะแห่งทานเจตนาจัดเป็นหลายประการด้วยความต่างแห่งอุปกรณ์แห่งทานคือจัดทานเป็นสามอย่างก็ได้แก่หนึ่งทนะบริจาคบริจาคทรัพย์ สองอังคะบริจาคบริจาคอวัยวะสามชีวิตต์บริจาคบริจาคชีวิตจัดเป็นห้าอย่างเรื่องอํานาจการบริจาคใหญ่ก็คือมหาบริจาคห้าประการก็คือก็ได้แก่หนึ่งบริจาคทรัพย์สองบริจาคบุตรธิดาสามบริจาคภรรยาสี่บริจาคอวัยวะห้าบริจาคชีวิตจัดเป็นหลายอย่างด้วยอํานาจข้าวและน้ําเป็นต้นก็ดรืหน้าของฐานวัตถุสิบ หาที่สุดไม่ได้และไม่มีที่สุดด้วยอํานาจการบําเพ็ญทะเลตามปกติมีประมาณว่าลึก 84,000 โยชธทั้งพื้นข้างล่างและพื้นข้างบนก็มีกําหนดประมาณที่สุดรอบกําหนดด้วยภูเขาจตกวาลแต่ทะเลคือฐานะบา ร, รมีทั้งพื้นข้างล่างและพื้นข้างบนที่สุดรอบไม่มีกําหนดประมาณจึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์นั้นไม่มีกําหนดประมาณว่า บริจาคพันดะภายนอกประมาณเท่านี้ไม่มีกำหนดประมาณว่าให้เนื้อประมาณเท่านี้ให้เลือดประมาณเท่านี้ให้ดวงตาประมาณเท่านี้ให้ศีสระประมาณเท่านี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบารมีมีฝังลึกก็การให้ทานของพระโพธิสัตว์นั้นมิใช่วิสัยของผู้อื่นที่จะกระทําให้คล้ายกันได้เป็นความจริงพระโพธิสัตว์นั้น ตัดเนื้อในร่างกายทั้งสิ้นของตนเองให้เป็นทานหลายชาติควักลูกในตาทั้งสองของตนเองให้ทานหลายชาติตติศษะของตนเองอันประดับดีแล้วให้ทานหลายชาติกระโดดเข้ากองไฟย่างเนื้อตนเองบนฐานเพลิงให้เป็นทานหลายชาติมิใช่วิสัยของบุคคลอื่นที่จะกระทำอะไรอย่างนี้ในทะเลแห่งทานบา ร, รมีเป็นต้นอันมีฝั่งอันลึก เป็นอย่างนี้คำว่าฐามัสาด้วยกาลังคือด้วยความเพียรมากคำว่าตรันโตข้ามคือข้ามฝั่งคำว่ามัดดินามัดดิดาเนนะนิถาเปตตวานะปารมีอย่างบารมีทั้งหลายให้จบลงแล้วด้วยการบริจาคพระนางมัสีคือพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบริจาคพระนางมัต ส, สีแก่พราหมณ์เท้าสกะแปลงทรงยึดเอายอดแห่งบารมีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในจริยาปีตกว่าเราสละพ่อชาลีและแม่กันหาชินาผู้เป็นบุตริดาและพระนางมัต ส, สีเทวีผู้มีจริยาวัดอัน ง, งดงามไม่คิดเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณ น, นั่นเอง บุตรทั้งสองจะเป็นที่น่ารังเกียจของเราก็หาไม่พระนางมัสซีเทวีเป็นที่น่ารังเกียจของเราก็หาไม่แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงให้บุตรธิดาและภรรยาผู้เป็นที่รักแม้แต่ดินนี้ไม่มีจิตใจไม่รู้สุขและทุกข์ก็ไหวถึงเจ็ดครั้งเพราะกำลังแห่งทานของเราชะนี้แล คำว่าวะสันโตตุสิเตกาเยในหมู่เทวดาชั้นดุสิตเป็นต้นพระโพธิสัตว์นั้นจุติจากอัตภาพพระเวสสันดรแล้วไปอุบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณในครั้งนั้นเทวดาชั้นกามโมจรชื่อโลกะพยุหะพากันเป่าประกาศว่า ในโลกมนุษย์นับจากนี้ล่วงไปอีกพันปีพระพุทธเจ้าจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี่ก็เป็นพุทธโกราหลนะเทวดาก็จะมาประกาศตั้งแต่พันปีไปเมื่อการนั้นมาถึงเทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลได้ฟังเรื่องนั้นแล้วมาร่วมประชุมกันได้ทราบว่าสัตว์ชื่อโน้นจักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงพากันเข้าไปทูลเชิญสัตว์นั้น ลาวเทวดาผู้จะทูลเชิญ เ, เ, เมื่อบุรพเมื่อบูรพานิมิตรหรือว่าเมื่อบุพานิมิตของพระโรธิสัตนั้นเกิดขึ้นจึงพากันทูลเชิญว่าท่านผู้นี้ระทุกท่านบำเพ็ญบา ร, รมีติดประการมิได้บำเพ็ญเพื่อต้องการสมบัติของท้าสกตะสมบัติของมารหรือสมบัติของพรหมแต่ท่านปรารถนาพระสัพพัญยุตยานเพื่อช่วยเหลือชาวโลกจึงบำเพ็ญบา ร, รมีบัดนี้เวลานั้นมาถึงแล้ว พากันทูลเชิญเป็นคาถาความว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่บัดนี้ถึงเวลาสมควรของพระองค์แล้วขอเชิญพระองค์เสด็จอุบัตในพระคันมารดาตรัสรู้อมตะบทช่วยสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารเถิดในครั้งนั้นพระมหาสัตว์ได้เลือกข้อที่พึงเลือกอันสาคัญก็คือตรวจ ตัวตราดูมหาวิโลกนะันนะข้อที่ควรจะต้องเลือกเฟ้นอย่างใหญ่ห้าประการก็คือการประเทศแห่งทวีประกูลพระมารดาแล้วก็กาหนดอายุในห้าประการนั้นระยะเวลาที่สูงกว่าแสนปีขึ้นไปและระยะเวลาที่ต่งกว่าหนึ่งร้อยปีลงมาไม่ใช่การในระหว่างระยะเวลาทั้งสองจึงชื่อว่าการ การที่จะตัดรู้นะก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วก็ไม่เกินแสนปีขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกินแสนปีขึ้ไปพระพุทธเจ้าจะประกาศอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าอายุยืนมากหรือว่าอายุต่ำกว่าร้อยปีลงมาพระธรรมที่แสดงก็จะถูนหายไปเร็วนะักสัตว์ทั้งหลายจะไม่มีสติปัญญาเพียงพอในการที่จะรับพระธรรมได้ก็จะอยู่ในช่วงของหนึ่งร้อยปีจนถึงหนึ่งแสนปีก็ในการนั้นก็อายุร้อยปีร้อยปีขึ้นไปนะ ต่อไปก็ทวีปก็คือชมพูทวีปนี้ในครั้งนั้นพระโริสัตว์ทรงตรวจดูโอกาสในทอดพระเนตรเห็นมัชชิมะประเทศและนครกบิรพัทในมัชชิมะประเทศนั้นทรงตรวจดูตระกูลคือตระกูลกษัตริย์ในทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชในตระกูลกษัตริย์นั้นทรงตรวจดูพระมารดาก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระนางมหามายาเทวีทรงตรวจอายุของพระนางก็ทรงเห็นว่า พระน า, าจะมีอายุต่อจากสิบเดือนไปเพียงเจ็ดวันเท่านั้นครั้นพระมหาศัตว์ทรงเลือกข้อที่พึงเลือกสำคัญห้าประการนี้แล้วคือตรวตรามหาวิโรกนะครบทั้นห้าประการแล้วก็จึงทรงรับปฏิญญาของเทวดาทั้งหลายแล้วทรงส่ ง, งเทวดาเหล่านั้นกลับในเวลาก่อนที่พระมหาศัตว์ทรงถือปฏิสนธินับแต่วันเพนย้อนไปเจ็ดวัน ถ้ามันดาของพระบพิษัท์ทรงประดับเครื่องประดับมีดอกไม้และของหอมเป็นต้นทรงเว้นการเสวยน้ำจันทร์ทรงเล่นนักขัตเตอร์ในวันที่เจ็ดทรงลกุกทรงลุกขึ้นแต่เช้าทรงสนานด้วยน้ำปสมน้ำหอมแล้วทรงประดับเครื่องอลังการพร้อมศพเสวยเครื่องเสวยอันประณีตแล้วทรงอธิษฐานองค์แห่งอุโบสถแล้วเสด็จเข้าห้องอันมีสิริ ทรงบันทมบนพระสิริสายญาตทรงนิทราในช่วงปัจฉิมยาณทรงพระสุบินว่าตามที่เล่ากันมาว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ยกพระนางขึ้นพร้อมทั้งแท่นบันทมนำไปยังป่าหิมพานวางลงบนพื้นแผ่นศิลาประมาณหกสิบโยน์ภายใต้ต้นสาระต้นใหญ่มีบริเวณกว้างเจ็ดสิบโยต์แล้วได้ยืนนักที่ควรด้านหนึ่ง จากนั้นเหล่านางเทวีของท้ามหาราชทั้งสี่นั้นพากันมาช่วยนำพระนางมหามายาเทวีไปยังสักอโนดาษให้สงสนานเพื่อที่จะชำระล้างมนทินของมนุษย์ออกให้ทรงนุ่งผ้าให้ทรงนุ่งห่มผ้าทิพย์รูปไห้ด้วยของหอมอันเป็นทิพย์ประดับประดาด้วยดอกไม้ทิพย์ไม่ห่างจากที่นั้นมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งภายในภูเขานั้นมีวิมานทอง พวกเทวีของท้าวมหาราชทั้งสี่ช่วยกันตั้งพระแท่นที่บรรทมอันเป็นทิศบ่ายพระเสียนไปทางทิศจีนคือทิศตะวันออกแล้วก็ทูลให้บรรทมในวิมานทองนั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เป็นประดุจพญาช้างเผือกเดินเที่ยวไปในภูเขาทองที่อยู่ไม่ไกลจากภูเขาเงินนั้นแล้วลงจากภูเขาทองขึ้นสู่ภูเขาเงินเข้าไปยังวิมานทอง กระทำประทักษิณพระมารดาชัมแรกพระประหลัดเบื้องซ้ายพระประัดก็คือสิทธข้างนะสิทธข้างเบื้องซ้ายเป็นประดุดเข้าไปยังพระคันในลําดับนั้นพระเทวีทรงตื่นบรรทมแล้วได้กราบทูลพระสุบินนั้นให้พระราชาทรงทราบเมื่อราตรีสว่างแล้วพระราชารับสั่งให้เชิญพราหมณ์ชั้นหัวหน้า64คนเข้าเฝ้ารับสั่งให้ปูราตอาสนะอันมีค่ามาก บนพื้นที่ฉาบทาด้วยโคมไม้สดมีเครื่องสตาระอันเป็นมงคลอันโจยปลายด้วยข้าวตอเป็นต้นรับสั่งให้ใส่ข้าปลายาต์อย่างเลิศซึ่งปรุงด้วยเนยใสน้ำผึ้งและน้ำตาลกลรวดเป็นต้นจนเต็มถาดทองและถาดเงินให้ครอบด้วยถาดทองและถาดเงินแล้วพระราชทานแต่พวกพราหมณผู้นั่งณอาสนะเหล่านั้นและได้พระราชทานท้าใหม่เครื่องประดับและโคเป็นต้น แล้วตรัสถามพระสุบินพระมเหล่านั้นได้ฟังพระสุบินแล้วพยากรณว่าขอถวายพระพรพระสุบินเป็นมงคลพระเทวีทรงตั้งพระขันและผู้ถือกำเนิดในพระขันนั้นมิใช่พระธิดาแต่เป็นพระโอรสพระโอรสนั้นไม่มีอันตรายถ้าพระโอรสนั้นทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเสด็จออกจากพระราชวังไปตรงผนวดเป็นบรรพคิด จะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีกิเลสตุดหลังคาเปิดแล้วในโลกก็ในขณะนั้นพระมหาสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางมหามายาเทวีด้วยอาสารหะเริกข้างขึ้นก็คือขึ้นสิบห้าค่ำนนเดือนแปดนะพระมหาสัตว์นั้นทรงมีสติสัมปชัญญะ เป็นประดุษทิสษุผู้พิจารณาแล้วจึงเข้าสู่เรือนสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอานอนท์พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะตั้งแต่จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตจนถึงลงสู่พระคันของพระมารดาในขณะนั้นตลอดหมื่นโลกธาตุได้วันไหวเทวดาและพรหมทั้งหลายมาประทุมกันตลอดโลกธาตุมีเสียงกึกก้องทั่วถึงกัน บุพนิมิตสามสิสองประการปรากฏขึ้นแล้วพระคันของพระเทวีเป็นประดุจเพชรใสพระนางทรงมองดูพระคันของพระองค์พ่อพระเนตรเห็นพระรูปรุ่งเรืองอยู่ประดุจเส้นได้สีเหลืองที่ร้อยไว้ในแก้วมณีย้อมสีทองทรงจมลงในทะเลแห่งปีติได้กราบทูลให้พระราชาทรงทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพิสัตที่ ปร ะ, สะเสด็จลงสู่พระคันของ พ, พระมาแมนดาก็อยู่ในพระคันถึงสิเดือนก็ได้มีบุพนิมิตเกิดขึ้นสามสิบสองประการาทั่วชาติเขตนะก็คือหมื่นโลกธาตาุซึ่งก็จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอให้ท่านได้ศัทฐาปีติประโมทในการฟังพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระโพิสัต์เจ้ทั้งได้ตรัสรู้เป็นพระสรมมรสัมพุทธเจ้าไปแล้ว พสัจธรรมที่พระองค์ทรงสแสดง ก, ก็ยังคงเหลืออยู่ในพระไตรปิฎกก็ขอให้ท่านได้มีทัทน์ศึกษาแล้วก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติในไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเพื่อความพ้นแห่งวัฏฏทุกข์เพื่อบังเกิดกุศลธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นบา ร, รมีเพื่อเป็นประโยชน์คาคิพติในการที่จะทําให้ออกจากวัฏฏะทุกข์นี้ได้ขอให้พ้นจากวัฏฏะทุกข์ด้วยกันทุกท่านเทอินสาธุสาธุ สาธุ